เสียงนะอ่าดีเนาะดีเนาะเองพ่ออง์หน่งเชื่อดีเนาะเจ้าขณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดโดนธานีพูดคำเดียวใครมาหาก็ดีเนาะหลวง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 พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เราได้ยินมาไม่ใช่หลงตาเป็นผู้พูดพวมท่องพระธรรมคำสอนนันเป็นธรรมเครื่องออกกับทูกประกาศมาแล้วในประเทศไทยหลายพันปีมาแล้วเป็นเครื่องสกดพิเรตเป็นไปเพื่อปัจินิพัน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 ถ้าจะเป็นความผิดก็เป็นเรื่องของเราถ้าเป็นความถูกก็เป็นเรื่องของเราอย่าไปโทษคนอื่นให้มองอย่างนี้บัณฑิตต้องฝึกตนอย่างนี้ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากก็ย่อมถากช่างาตัดผมก็ตัดผมรอยไยบัณฑิตต้องฝึกตนฝึกตน อย่นี้อ่ะไม่ไม่มีใครพูดเราก็ได้ยินหลงตาพูดอยูน่นี้พูดกับทุกคนได้ยินมาแล้วทำไมไม่จึงหลงเพราะไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะไม่มีเมื่อที่สร้างความรู้ทำไมเราจึงจนเพราะเราขี้เกียจทำไมเราจึงจนเพราะเราเล่นการพ น, นัน ทำไมจึงทุกข์เพราะหลหลงเคยถูกความทุกข์ยั่งเอาแล้วไม่รู้จักเข็ดจักหลับโดยโกรธมาแล้วไม่มีประโยชน์เลยเลยความโกรธทะเลาะวิวาทกันหยีดเบียนตัวเดงด้วยโกรธที่ใดเป็นฝ่ายตัวเองก็ยังโกรธกันอยู่ เคมีทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วน่าบูดนอนเบื่อกินไม่ได้นอนไม่หลับก้อยไม่เคียรไม่หลับว่าเป็นไปคพื่ออกจากทุกข์ผู้ย่ำสอนอย่างนี้นแล้วทําไงไม่ศึกษาไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันมีสิทธิ์ทําได้อยู่เวลามังกรมีสิทธิเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธ ทำได้กันอยู่แต่ไม่ค่อยเปลี่ยนการบางที่ไปยึด เ, ยปยปยดเอาความโกรธไม่อยอมปล่อยวางไปยึดเอาความทุกข์ไม่ยอมปล่อยวางปรงแต่งอยู่เรื่อยบางที่เห็นความหลงเป็นเรื่องสนุกสนานกินเหล้างมอยาเที่ยวเตะเร่ร่อน เ, นเพิดเพลินในรูปรถหยินเฉียง ก็ยังทำกันอยู่เหี๋ยเงินเสือทองใช้จ่ายสุรลุ่ยสุ่ร้อยไม่รู้จะเก็บหอมรองริีบมันก็ไม่มังมีสักทีได้รับมีรายเหลือไม่ค่อยมีนี่ก็เคยผ่านกันมาทุกคน เราจึงมาร่วมกันแช่เรื่องนี้กันเถอะให้มันรู้ซะเหตุเหตุผลที่ปัญหาทุกอย่างเกิดจากความไม่รู้ก็ เ, เกิดจากความรู้โลกปัญหาก็จบเพราะไม่มีความรู้มีอวิชชาปิดบงังจึงเกิดภพเกิดชาติชลามรณะโศกไปเทวทข์ถ้ามีวิชา ตั้งต้นมันก็งดไปได้มันกลับไปได้ไม่มีพบไม่ชาติไม่มีชะลาโมนะไม่มีโกรธไม่โลภไม่หลง ม, มันเป็นได้อย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อออกจากทุกอย่างนี้เรา ก, ก็ว่ากันพุทธศาสนามิตั้งแต่เข้าเรียนปหนึ่งปสองนัข้าพเจ้าถือเอพาพรเจ้าเป็นศนาลา สนระอื่นของข้าพเจ้ามัมีอาวุธเจ้าเป็นสนะอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือรัตนะนี่แล้วข้าพเจ้าจึงข้อจอกทุกขังวงได้เป็นภาษานกเขี้ยนของขุนทองไม่ออกมาปฏิบตัติรู้กันอยู่ทุกคนก็รู้นะไม่มีใครไม่รู้ว่าโกรธไม่ดีทุกไม่ดี รู้กันอยู่แต่ไม่ค่อยเปลี่ยนควงมรู้มันใช่ไม่ได้ต้องหัดต้องหัดเปลี่ยนกรรมาฐานนี่มาหัดเปลี่ยนหัดเปลี่ยนให้เป็นมันหลงรู้ให้เป็นขณะที่มันหลงน่ะนะยาวความรู้มาขวางกาั้นมันทุกข์ก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทำให้เป็นมันต้องมีแน่นอน ถ้าเรามาดูมันก็ต้องเห็นเห็นหลงเห็นรู้มันคู่กันเห็นทุกข์เห็นไม่ทุกข์มันคู่กันอยู่อย่าหมดตัวนเนนียเห็นกับตาทับกับมือเราเอากายไปต่อเอาความรู้มันต่อได้อยู่สร้างเป็นพื้นฐานเอาไว้การศึกษาเสืียงต้นข้าวแรก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 ตาเป็นเหตุเหตุมันเกิดแล้วก็เชื่อที่เหตุนั้นถ้ามันหลงที่ไหนก็เชื่อที่นั้นเช่นคนหลงความรู้ได้มันมีอยู่มถ้ามันติดกันเลยเหมือนกับหน้ามือหลังมือ ความหลงหมือนกับหลังมือความรู้เหมือนกับตุหน้ามืออเนี้ยหลุอที่กายเอากายเป็นผู้ที่เปลี่ยนความหลงไปความรู้ได้มันก็มีอยู่เรามีการเคลื่อนไหวเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาไว้เหมือนกันกบเรายืนจับปล่อยสะพานเดินข้ามสะพานแคบๆเวลาวันเสียไปก็ จับเอาไว้อย่าให้มันพัดตกลงไปอย่าปล่อยตัวให้ตกลงไปก็จับได้อยู่ไม่ต้องตกก็ได้นี่มันมีฐานมีที่ตั้งมีหลักเป็นอาศัยที่ว่ากรรมาฐานที่ตั้งของการกระทำํำมันก็ทําได้อยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่เราเลื่อนลอยยืนอยู่บนอากาศ มันก็วีถาาอย่างนี้มีกันทุกคนไม่ไกล้ามีสติกันทุกคนไม่ต้องไปขอใครเนี่ยกวมหลงก็หลงเองแล้วก็รู้เองไม่ต้องไปเรียกใครมาช่วยเหลือเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกหนะเป็นปัจเจตังอยู่ใกล้ตัวไม่ใช่อยู่ไกลเลย มันพบเห็นอย่างนี้ไม่ใช่คิดเห็นจะเอาความคิดไปเกี่ยวข้องเหตุผลไปเกี่ยวข้องมาเจาะเอกันตรงๆเรามีความรู้ความหลงเกิดขึ้นมาตรงๆโง่ๆมัใช่ยฉลาดความหลงเนี่ยมันกบกวนเฉยๆเราก็รู้เอารู้เอาซะเป็นหลงเป็นรู้นี่ยทำให้มันเป็นฝึกให้เป็นอย่างเนี้ย ยี่บอกกรรมาฐานไม่ใช่เรียนรู้ตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆเราก็ได้ความรู้กันทุกคนแหละเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพ่อคนแม่คนสำเร็จมาแล้วประจบการมาแล้วแล้วก็ผ่านไปหมดเรียนมาแล้วไป เ, เป็นหนุ่มเป็นสาว บางคนอายุผู้เ่าผู้เจยิ่งดีทุกโอกาสนี่เรามาฝึกอยเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้มันก็อันเดียวกันในกามีใจอันเดียวกันมีตามีหูเหมือนกันมีความหลงเหมือนกันมีความไม่หลงเหมือนกันมีความโกรธเหมือนกันมีความไม่โกรธเหมือนกัน มีความทุกข์เหมือนกันมีความไม่ทุกข์เหมือนกันมีการเกิดเจ็บตายเหมือนกันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันมีความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันแต่แม่นเหมือนกันเวลาเราเปลี่ยนให้เป็นดีการเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนปีเป็นโูกันหรือว่าไม่เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าภาวนาไม่เสียเวลากับความหลงเอาความหลงมาเป็นความรู้ เอาความทุกข์มัเป็นความรู้เอาความโกรธมันเป็นความรู้มันมีอยู่ที่เดียวกันความหลงเป็นเหตุทำให้มีความรู้ได้ความทุกข์เป็นเหตุทำให้มีความรู้ได้เนี่ยมันมีเห็นจากนี้เหตุปัจจยโยมีเหตุไม่ใช่หลงดือด้อมันเกิดจากเหตุกอ่อน ลมมารมณ์นาปโยมีอารมณ์ตาเห็นรูปยื่นมาหาใจอาใจเป็นผู้มีอำนาจตัดสิงใจชอบไม่ชอบมันไม่ถูกถ้าให้ันตัดชินใจเองมันก็ผิดได้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง เกิดเลตันหาลาค้าโกร ธ, โ ร, ธโรงได้เพราะมีเหตุที่ตรงนั้นอารมณ์นาป จ, จวอารมณ์ไม่ใช่ใจความโกรธไม่ใช่ใจความทุกข์ความพอใจไม่พอใจไม่ใช่จิตใจมันเป็นอารมณ์ก็เรื่องวัตถุแล้วก็อาการวัตถุคือตาหูจมูกริ้งกายใจอาการคือรูปรสอ วัตถุคือรูปรสจินเฉียงแต่อาการนั่นมันเกิดขึ้นในระหว่างการสัมผัสระหว่างการสัมผัสมันก็เป็นอาการ <c oughs> มันเป็นอาการน้อยมากไ้่น้อยมากเหมือนกับคนป่วยมากไม่มากอาการป่วยให้อยู่ขห้ยาตอบสนองรักษาได้เท่าไหอาการ หลงมากบางทีก็เกิดความหลงทุกโกรอาการที่มันออกไปเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่ใจมันมาจรมามาย่อมใจกลายเป็นอารมณ์ไปเพราะความหลงปิดบังเอาไวา้เมื่อมีความหลงเกิดขึ้นก็เป็นสมมติต่อไปอีกมันหยัดเข้าไปเราชอบเราไม่ชอบมันไปไกล ต า, ตามความชอบตามตามความไม่ชอบเมื่อชอบไม่ชอบก็ไปแสดงออกท <c oughs> างกายทั้งใจเต็มที่เป็นพวกเป็นชาติเต็มที่ถ้าโกรธก็แสดงตามความโกรธถ้ารักก็แสดงตามความรักให้ความโกรธผาธรรให้ความรักผาธรรมจงเสียผู้เสียคนนี่ว่าอาการสมมติมันญัด ประยึ์เอาว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทาั้งทักนิณมันใช่เราเราก็ประยุึ์เอาว่าเราถ้าเราโกรธเราก็ไม่ยอมไม่ยอมก็โกรธเราถือไว้ไม่ปล่อยทิ้งก่อนที่แล้ว ก, ก็กลายเป็นข้อที่ชังได้ถ้าสมมตุติถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นมีอุบทานเกิดขึ้น เนี่ยมันก mm. ็อยู่ด้วยกันนะเนี่ยจะหน้าเสียดายเสียดายสิทธิความชอบทำความถูกท้องความโกดเป็นถูกต้องไม่ชอบทำความไม่โกดถูกต้องชอบทำเสียดายตรงนี้ในเวลานั้นหน้าเจอแล้วแต่นี่จะได้ประโยชน์กลายเป็นโทษ ใช่ผิดกัวกายเป็นโทษใช้ถูกกายเป็นประโยชน์ในตัวเรานี้ประโยชน์ถึงที่สดคืออัตยิมัติประโยชน์โลทใจยย่ประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าเม่อมีประโยชน์เกิดขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นคนดีแล้วก็คนดีที่ไหนก็เจริญที่นั่น เราก็อยู่ที่เราเนี่ยถ้าเป็นคนชั่วที่ใดก็เดือดล่นที่นั้นนี่มันก็เป็นประโยชน์ได้เป็นโทษจากนี้ในชีวิตของคนคนหนึ่งรูปกายรูปนาเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูแลรูปและดูแลนานี่กายใจนี่ได้มันอยู่ในความชอบตั้งไวโดยชอบเมื่อเราอยู่โดยชอบ โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหานตะกเมีพิกเวพิกุสัมมาวิทยลยงอโลโกอหันตหิอจจะท่านเจ้าว่าพิสุทั้งหลายโลกเธออยู่ได้ชอบแล้วโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันอยู่ได้ชอบคือนี่แล้วมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเห็นกายเห็นอะไรต่างๆที่มันมาทั้งกายมันเกิดทั้งตั้งใจก็เห็นมันเนี่ย ต่ติเป็นดวงตาภายในเห็นไหมแต่ทั้งความคิดต่อเนื้อไม่เห็นความคิดเห็นแต่เป็นวัตถุต่อในนี่เห็นไหมกระทั่งความคิดความโกรธโลภหลงปกติมันก็อยู่ของมันเองแต่มันมีสิ่งที่มาทำให้ปรงแต่งมันก็เห็นเห็นอารมณ์ไม่ใช่จิตมันมาปรงแต่งเป็นน้ำที่มันเป็นคลื่นไม่ใช่น้า มันเหตุปัจจัยทําไมเกิดขึ้นอย่าไปมองขึ้นว่าเป็นน้ำน้ำไม่มีขึ้นดอกมันปกติอยู่แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยมันก็มีขึ้นขึ้นมาเป็นธรรมชาติใจของเราก็เหมือนกันมีการสัมผัสอาลงมาย่อมก็ย่อมมันขึ้นเกิดขึ้นนีความลักในความช่งคองพอใจไม่พอใจควาโกโรธโลบหลงเวลาเป็นขึ้นของ จิตเป็นอารมณ์ของจิตไม่ใช่จิตจิตนั้นปกติอยู่แต่ถ้าเลยมาต้มันก็เป็นไปได้ถ้าเราไปหัดไม่มั่นคงเราจึงหัดถ้ามันเห็นเนี่ยไม่ใช่ห้ามไม่ให้มันเห็นมันคิดอยู่ก็รู้อย่าให้ความคิดเป็นใหญ่อย่าหาคําตอบจากความคิดเกินทาย มาเหตุนะผลกันไปปฏิบัติธรรมกรรมาฐานให้เป็นการกระทำอันนียตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยกันได้ต้องมาช่วยตัวเอง <c oughs> แต่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอยู่มีปัญหาไหไรก็พอที่จะขี้นามได้อยู่อย่าหลงคนเดียว อย่าทุกคนเดียวอย่ากลัวคนเดียวบอกกันบ้างบางทีมันแจ่ได้บอกทางกันบ้างบอกคนเวลาหลงทางสองแสงสว่างในเวลามันมืดมันมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยี่ว่ามีเรียนตามข้อต่อครับเรียนตามพ่อก่อตามครูมีครูอาจารย์มีพ่อมีแม่ บางทีท่านลู่อยู่แต่เราต้องเงี้ยหูฟัง <c oughs> เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไม่ปล่อยกันทิ้งจะปล่อยความโกรธจมีตัวเองคนเดียวแม้แต่การเจ็บการแก่การตายกา็กช่วยได้นะตายให้เป็นเจ็บให้เป็นแก่ให้เป็น ถ้าเจ๋ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เจ็บไม่เป็นก็เป็นทุกข์ตายไม่เป็นก็เป็นทุกข์ปวดเจ็เจ็บตายเป็นทุกข์ปวดเจ็เจ็บตายไม่ทุกข์ไม่มีอยู่อ๋อไม่ใช่ไม่มีมันเป็นคู่กันอยู่มองเป็นคู่แบบนี้เมื่อ imbap, มีแจ <c oughs> ๋ก็ <c oughs> ต้อง ม, <pleasant> มีไม่แจ๋เมื่อมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายแบบเนี้ท่าะฉนเรื่องนี้เป็นโจทย์ เป็นโจทย์เราเราเป็นจำเลยก็มันเก็บกวต้องทุกเป็นจำเลยไปต้องพิพากษาดังนี้ให้เป็นความเป็นธรรมขึ้นมาปติเป็นพิพากษ า, าตุลาการเกิดความเป็นธรรมได้เ้ิ่มต้นท่ามกลางที่สุดเริ่มต้นจะกอไก่ข้ไข่ให้ลูกศึกที่กายนี้ไป อ่านออกแล้วเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นรูปธรรมเหนเ็นนามธรรมกาลังจะอ่านออกฉลาดเพราะรูปเพราะนามฉลาดเพราะกายเพราะใจอ่าน อ, อเขียนได้จึงใดที่เกิดขึ้นกับกายไม่จนใดเกิดกับใจไม่จนไม่จนไม่มืดฉลาดตรงนี้เป็นความรอบรู้ในกายในใจหรือว่ากองสังขาร การโลภุนในกองสังขารชื่อว่าปัญญามันเกิดจากนี้ไม่ใช่จากท่านศึกษาอันเดินเกิดจากกายจากใจเท่าวันแสดงออกให้เราเห็นดูสิพระพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าฟ้าชายเอากายเป็นํำลาเอาใจเป็นตำลาไม่มีหนังสือสักเลิมเดียว หนังสือก็ยังไม่มีพระเจ้าผ่านไปประมาณเจ็ดร้อยปีจึงมามีตัวหนังสือขึ้นมาสังค่ายนาทั้งที่สีที่ประเทศสีลังกาจะเลือกใส่ใบลานเขียนเป็นตัวอักษรภาษาสิงหนต่อมาเมา่ังค่ายน า, าต่อมาเองวาทำที่อินเดีย เก็บเปตัวบาลีนี่ก็ยังมีหนังสือข <c oughs> ึ้นมาอันนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองมาออกจากกายจากใจเรานี้แปดมื่นสี่พันอย่างเกิดคือกระายกับใจเราเป็นตำลาเล่มใหญ่พระไตรปิฎกก็เรียกได้ แลวเวลาเรามีสติมันจะเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นความเป็นทุกข์ก็เห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นมันจะดงอยู่ในกายในใจเรานี้ในอารมณ์นี้ไม่ใช่ความไม่เที่ยงไปอ่านหนังในหนังสือมันมีอยู่ในคนความทุกข์ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมันจะมีอยู่ในคนในกายในใจนี้ความไม่ทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในหนังสือ มันมีอยู่ในคนนี้มันจึงเป็นอันเดียวกันกายใจก็เป็นอันเดียวกันไม่ใช่เป็นคนละคนคุณถ้าสี่กันหน้าเหมือนกันร้อนเหมือนกันหนาวเหมือนกันหิวเหมือนกั่อเหมือนกันเจ็บปวดเหมือนกันหลงเหมือนกันทุกข์เหมือนกัน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 ไม่มีพันุใหม่มันโรคไข้หวัดพันธุใหม่แล้วโกรธก็พันเก่านั่นแหละมันโกรธคือโกรธนั่นแหละมันธุทุกข์คือทุกข์นั่นแหละไม่มีพันธุ์ใหม่มันเรียนจบได้แต่การวิทยาศาสตร์อย่างเดียนมาจบต้องคนคั้ววัคซีนเพื่อป้องกันให้วัคซีนแจ้หวัดพันุ์ใหม่ ถ้าโรกเอิดก็ต้องให้เอิดหลงดาบเปโรคมะเร็งก็ต้องให้จีโบไม่ใช่โรคเอิด้อันนั้นก็อั น, นั้นก็มีอันเก่านั่นแหละคออโรคอันโรคขวามโกรธเนี่ยอันเดียวไม่ใช่คนละอย่างอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมกตมีสติไม่มีใครช่วยเราได้อันเนี้ยเราต้องช่วยตัวเองอันโรคภายนอก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 จนที่สุดเวลานั้นแต่ถ้าเราฝึกมันยิ่งมีชัดเจนเวลานั้นนะมันมีเรื่องเดียวคือเจ็บไม่เรื่องเงินมีไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเลยเจ็บก็คือเจ็บใหญ่ที่สุดเวลามมนเจ็บมันก็อยู่กับเช่นนั้นมันก็เห็นแจ้งหายใจไม่ได้ก็เห็นเรื่องหายใจไม่ได้ไม่มีเรื่องเงินที่จะเกาจุ้ยกระายเป็นโวนตัวมันจนเวลานั้น ความเจ็บก็พาให้จนหายใจไม่ได้ก็พาให้จนจะทํำไงเมื่อยอมสงบแล้วไม่ฝึกยอมจึกเราก็ลบไม่เป็นฝึกอย่างเนี้ยมันไปถึงนูน่นมันจึงเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายพราเห็นมันเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บเห็นมันหายใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้หายใจไม่ได้เราก็อยู่ของเราเอง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 หลายคนที่จนลงนี่กันไม่น่าจะจนเลยนะมันเปลี่ยนได้อย่างมันเจ็บเห็นมันเจ็บอั่งเนี่ยมันทําหน้าอยู่มันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยอย่าเป็นผู้ทุกข์เนี่ยมันหลงเห็นมันหลงน่ะรู้นั่นแหละรวมรู้ตัวนี้เป็นปัญญาเป็นมุขเป็นผลไปถ้าเป็นตั้งต้นตรงนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนเอามาตั้งต้นกัน ใครก็เหมือนกันจะจบปัญญาสาขาไหนก็ต้องต้นตรงนี้แล้วทีนี้เถะจบมาสาิบเจ็ดศาสตร์เป็นเจ้าว่าชายเลี้ยงจริงแต่ต้องมาตั้งต้นที่นี่ไม่เอาใช้อสาสต์นั้นมาเป็นสิ่งเถวต่อรองแล้วก็มีกายมีใจยนี้ตั้งต้นก็จะมีสติเห็นกายเนี่ย กายานุปัชนาเนี่ยเห็นกายอยู่เป็นประจำไม่ออกไีนไปไหนเรื่องของกายหัดลูกมันมันจะไปทางไหนเรื่องของใจก็เห็นมันดูมันอยู่เนี่ยมันก็เห็นแน่นอนมันคิดถึงเพิมพาเวลาลั่งอยู่ต้นสีมหาโพธความคิดมันจะหอบขึ้นไปเอาเหตุและผลจากความคิด เราเป็นเจ้าพ่อชายเป็นจั ก, กรพัติราชได้ครองในทวีปทั้งเกตนี่ได้เราจะมานั่งอยู่ใต้ต้นทรได้ไงพิมพาก็ยังดูราหุนก็ยังมีอยู่ราสมบัติทรัพย์สินแสดงคารยังมีอยู่ปศาสามดูยังไม่อยู่มีชิทธิของเรา สาวสนมนันในกับสาสาวสนมกำนันในทั้งหลายเต็มพระราชาวังอยู่เวลานอนกลับกอบไม่บุบุษเพลียวนทุกคืนก็ยังได้จะมาอยู่อย่างนี้ได้ไงเหตุผลก็โดดที่จากสีห้าโฟไปใช่ไหม <c oughs> วางกลับคืนจ บ, บินภัทพระราชาวังลยไม่ไป เวลามาคิดขึ้นมาจุดเวลานี้เราไม่ใช่มานั่งคิดถึงพิมพานะเวลานี้เรามีสติเห็นกายยกมือไปยกมือมาเนี่ยเราลู่เนี้ ย, ยมือยกมือเข้าเอามือออกลู่เนี้ยการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกให้ลู่เนี้ยอาจารย์กระพงอาจจะเดินยองกรมอยู่ดอนทิพเหนือสีมหาโพธิ์อนดาไปเห็นอยู่ <c oughs> ที่ไหนไหนที่ผู้เจ้า อยู่มักจะมีทางเดินจงกรมปารสิปตัตนะก็เดินจงกรมอยู่ร้อนเดินจงกรมอยู่ค่อยจะสะว่างเจ้าสาวคนโหวดออกจากเมืองมาล่องมาขณะที่พระอ ง, งค์จงกรมอยู่ประมาณตีสี่ตีห้าที่นี่วุ่นวายหนุอ ที่นี่ขัดขอ้องเนาอจ้ายาติสาวคนหมดลูกขีดถีเบิดออกมาพรเจ้าจงกรมอยู่พอดีขานตอบไปเลยวที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องงานนี่ก็ได้จะได้ยินไหมฟุตโทจุดจุดโถก็ลุนนามหันโวพระเจ้าผู้บริสุทธทาาาาทิ์มีพระกรุณา ด, ดุจ่วงมหาน ช่วยคนได้แต่เห็ น, นทุกข์ยช่วยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขอดน้องมาที่นี่ก็ได้อย่าสากุดเข้าไปเลยกุญเจจะงงอยู่ก็สอนกันอ่าเรามันคิดถึงกิจป่ากลับมาคิดถึงร า, กกางหนกลับมามาคิดที่ไรกลับมารู้หมายให้ความคิดเป็นใหญ่ให้ควบรู้เป็นใหญ่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 นี่สิทธาไม่มีปัญญาที่จะมีอย่างนั้นแลไม่แต่นั่งก็ย่าขาที่โสธิพรมเอาให้ไม่มีอะไรไปเกี่ยวย่าขามาเห็นสีทธาเดินขึ้นจากในรลันชลาเพื่อข้นสีเป็นเดินจีมหาโพธโิพรมแบกย่าคามาโดยเกิดสงสารเกิดจต t h า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 เลาเห็นโต๊ะเจ้าออกมาเมตาบาทโอ้ยไม่รวยเจ้าอะไรให้นาะมีแต่อาบน้ํากระถังเป่าแล้เห็นข้าวกล้วอยู่ในพวกสิ้นได้เปิดพวกสิ้นหรือเป่าก็เลยเอาข้าวกล้วให้ว่าเจะไปกินนะเอาให้เราตกใจเอ้ท่านจะฉันให้หรือเปล่านอ้อหน้าเกียดนะฮะ เข้าพั้วเพียงนิดต่อยอยู่ในพวกสิ้นเราเนี่ยเจ้าก็ให้ใช่บามฮะมันจนเนาะใช่ไหมเ <c oughs> จ้าก็รู้เลยไปนั่งฉันก็นั่งฉันคนรับจ้างตำข้าวก็ดีใจอโอ้สาธุ <laughs> นี่อะไรบุญนะถึงว่าหญิงคนนั้นตายเป็นเทพธิดาเลยทีเดียว เพราะให้ทานเราจึงมีเป็นข้าวสากใช่ไหมข้าวจีใช่ไหมเคยไหมแม่เพียรเคยจีข้าวไปถวายพระไหมไม่ค่อยมีนะเดี๋วนี้นะอไม่มีแล้วบนข้าวจีแต่ก่อนเดือนสามบนข้าวจีเดือนสี่บนพระเวดเดี๋ยวนี้เดือนสามไม่มีวนข้าวจีเลยไม่เคยจีข้าวจีมายอยู่เนี่ยแต่บ้านเก่าบ้านเกิดยังมีอยู่นะ นมีปรเพลีปะีะีมาอย่างนี้มียญ้าคานั่งเนดเตียวไปต้นสีมหาโพธิ์แท่นศิลาอารอ่านเครื่องือเครื่องมังมามีจนขนาด น, นั้นแล้วมันก็ย่อมคิดสวนทางมันอย่างใหญ่เลยตายเป็นตายแต่อยู่ตรงนี้อะไรก็ทำมาหมดแล้วหกปีหรือเรื่องเดียวคือการใจมาเป็นดังกิจ เข้ามาเลยทีมีมันคิดก็เห็นมันกลับมาคิดถึงเพียบากลับมากลัวตายก็กลับมาทํา <c oughs> ได้จะเป็นไข้ลอดลอดนาหนาวไม่กลัวรู้จึกตัวขึ้นมารู้จึกตัวข่อนมารู้จึกตัวในวันมันหลงเอาไปมามันก็ความรู้ก็ขึ้นในคืนมันเพนเดนหกเท่า น, นั้นเองได้บระธธรู้รำ ต้องเดินตามรอยตัวนี้ไปพวกเราตามรอยนี่ไปนี่รอยพุทธเจ้าแท้ๆไม่ใช่รอยอยู่พระบาทสาร บ, บรุรีอันนั้นก็มีเหมือนกันแต่รอยที่จะไม่เกิดเป็นพู้เที่ยวมันอยู่ตรงนี้มีสติสัมปชัญญะเปลี่ยนความหลงเป็นความโูภเลยไปเมื่อมีสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้ไม่หวั่นไหวแต่ก่อนหวั่นไหวเพราะความคิด ผิดอะไรก็ผิดไปเลยถ้าเกิดจากความคิดผีดจินก็มีทำไมทุกทาไมโกรธก็มีบัตรนี้ไม่มีปัญหาพอมันคิดขึ้นมาได้ประโยชน์จากมันมันจะรู้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้ทุกอันในี่ทุกคนทำได้อยู่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ทำไม่ได้นะนี่ไหมถ้ามันหลงไปรู้สึกตัวมีบ้างไหมพวกเราที่อยู่ที่นี่ฮะ ถ้าไม่ไปตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ไปไม่ถึงไหนนะเดี๋ยวาปีเอาเดือนมากําหนดเอาตรงนี้ละ่ะความเพียนมั่นคงเปลี่ยนกรมหลวงไปกรมรูเนี่เดี๋ยวความเพี่ยนมั่นคงถ้าความหลงไปร่วมหลงความเพียนไม่มั่นคงเร็ว w, ไม่ได้ประโยชน์ถ้าความเพี่ยนมั่นคงเปลี่ยนกรมหลวงไปกรมรูนี่ยมั่นคงทุกทีที่มันหลงรูทุกทีที่มันหลง ทุกทีที่มันทุกรู้ทุกทีที่มันโกรธนี่มันคงเมื่อมันมั่นคงอย่างนี้รักษากายรักษาใจเป็นสินขึ้นมาเป็นสินขึ้นมาเป็นสินขึ้นมาสินนี่กําจัดกิเลสได้เกิดทุกข์ก็เถือนไปถึงเกินปรุงแต่งความโกรธโกลบหลงได้เมื่อมันมั่นใจเป็นสมาธิขึ้นมาไม่หวั่นไหวเพราะความหลงความทุกข์ทำไมเชื่อมแข็งตรงนี้มันอ่อนได้แต่ก่อนอ่อนได้บัดนี้มันเชื่อมแข็ง สมาธิเหมือ น, นก้อนหินไม่หวั่นไหวเพราะหลงชนใดมันก็คิดอยู่ใจไม่หวั่นไหวเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ปัญญารอบรูกมีปัญญารอบรูปมันก็เหมือนจักแข่งทำหมุนไปมันก็อ้ายขึ้นเหมือนจิ้งคกหลงเขาต้องมาหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกเหมือนจิ้งคกขึ้นเขาทุกข์เขปฏิปทาปฏิบัติลำบาก ต้องเป็นตัวใครตัวมันเรื่องเนหัดเอาฝึกเอาบางทีคุณคิดในลมที่คุณคิดไม่รู้จักสอดคลุมคิดออกเอาคิดที่ใดก็ปล่อยอารมณ์ไปเป็นปรุงแต่งเบือไปคิดแบบบ้าบ้าบอคิดสรรพัดประโยชน์ไม่มีประโยชน์น่ะเหมือนลงตาคุณเรื่องลิงล่างอ่ะลิงเรื่องเดิยงสุขสนได้ยินไหมเมืม่อวานน อะไรพูดถึงไหนยังไม่จบนะขอต่อสักหน่อยได้ไหม อ, อีกแค่ห้า น, นาทีฮะได้ยินไหมลิงเกี่ยวซุกสน อ, อชอบกระโดดโลดเต้นไปที่ตอนไม้เปลี่ยวเดียวไม่มีกิ่งก้านสาขาชอบกระโดดหน้าผาชอบซุกสนจนติดตังทั้งขามือสองขาสี่ขาปากก็ติด อ่าสาว น, น้ามันจะเจ้าสุขสนฉันใดพิสุทธิั้งหลายพกเจ้าก็มาด่าพิกษุทิ์พิสุทั้งหลา ย, พลายโพวกเธอทั้งหลายหมกมุ่นคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดไม่สำรวมอ่านจะนะตาหูจหมูกเล่นกายใจเล่นไปในอารมณ์ต่างๆในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเพลิดเพลินในกาโมคุณนถ้าจหยอดอยากเธอทั้งหลายก็ต้องถูกอาราคะ โทษสะมโหะเทียบแทงของทกิใจของเธอเธอก็อยู่ไม่ได้กีวรลูกเป็นไฟก้าในบาทลูกเป็นไฟกรตีลูกเป็นไฟเธอต้องเสืขาลาเพศไปฉันใดก็ดีมานเอาไปกินเอาไปฆ้าจนเกลียนตายพิสูจทั้งหลายฉันใดก็ดีเธอทั้งหลายจงอย่าเป็นเช่นลิ้ยงเจ้ายวุกสนเช่นนั้นให้สมลวมตาหูจะมูกลิ่นกายใจ จบตอนนี้เวันนี้ก็จบ